มนสเสน่ห์ที่เหลือเชื่อการละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งผู้เป็นที่รักของประชาชนของเขาและเขาก็รักประชาชนอย่างอบอุ่นเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาไม่เคยมีความคิดที่อยากจะแต่งงานและไม่รู้สึกอยากตกหลุมรักเลย ที่ปรึกษาขอร้องให้เขาแต่งงานจนในที่สุดเขาสัญญาว่าเขาจะลองดูเขาจึงออกเดินทางเพื่อหวังว่าจะได้พบความรักกับหญิงสาวเขาออกตามหาความรักโดยมีเพียงมหาดเล็กเป็นผู้ติดตามผู้ที่ไม่มีความฉลาดแต่ว่ามีจิตสัมผัสที่ดีกระสัยสทองค้นหาในหลายๆเมืองทำทุกอย่างเพื่อให้ตกหลุมรัก แต่ก็เปล่าประโยชน์หลังจากการเดินทางถึงสองปีเขาจึงมุ่งหน้ากลับบ้านในตอนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงหวีดร้องของแมวเสียงน่ารำคาญของมันใกล้เข้ามาและพบว่ามีแมวนับร้อยกำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตามด้วยลิงตัวใหญ่สองตัวที่อยู่ในชุดสีม่วงนั่งอยู่บนหลังของสุนัขอิงลิสมาทิ ที่กำลังเป่าแตรของเล่นอยู่ท่านเป็นลิงตัวใหญ่ในชุดสีม่วงนั่งบนหลังสุนัขอินลิทมาทีฟและยังตามมาด้วยคนพระที่นั่งบนหลังหมาป่าและแมวกว่า20คนพวกเขาทั้งหมดใส่ชุดสีม่วงเหมือนกับลิงกษัตริย์และมหาดเล็กตางงงงวยกับภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าไม่นานนักก็มีหญิงสาวที่งดงามนั่งอยู่บนหลังเสือตามมา เมื่อเขาจับจ้องไปที่เธอเขาเหมือนต้องมนต์สะกดหัวใจของเขาหายไปอยู่ที่เธอเจ้าของความงามผู้นั้นคือใครกันขณะมีความสุขเขาเห็นคนแครคนนึงตามหลังขบวนมาผู้หญิงที่ขี่เสือคนนั้นคือใครกันเจ้าหญิงทูมิโนซาพธิดาของกษัตริย์ในที่แห่งนี้เธอชอบล่าสัตว์มากแล้วตอนนี้ เธอกำลังไล่ตามกระต่ายอยู่พระราชวังของกษัตริย์ท่านนี้ไปทางใดโปรดบอกข้าที <L an> พระราชาไปถึงเมืองหลวงในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาได้ไปแนะนำตัวตอ่อกษัตริย์และราชินีทันทีเ <L an> มื่อเขาเอ่ยนามและประเทศของเขาเขาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี <L an> ยินดีด้วยกับความสำเร็จในการล่าเจ้าหญิง เจ้าหญิงไม่ได้ตอบอะไรใน er, บางครั้งเจ้าหญิงพยายามที่จะพูดแต่เมื่อไหรที่เธอพยายามท่านพ่อและท่านแม่ของเธอก็จะสนทนาตัดขึ้นมาเธอช่างงดงามท่านไม่เคยเห็นลิมิตนี้มาก่อนในชีวิตเลยเหรอทำไมเจ้าดูขุนเคืองนะักเจ้าหญิงไม่งดงามพออย่างนั้นเหรอเธองดงาม แต่การจะมีความสุขในความรักต้องมีอะไรมากกว่าความงามบอกตามตรงข้าก็ดูเจ้าหญิงไม่ออกเหมือนกันไราสาระมันก็แค่เกียรติและศักดิ์ศรีไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเออหม่อมฉันว่าการพยายามขัดไม่ให้เจ้าหญิงพูดมันดูน่าสงสัยนะคำพูดของมหาดเล็กฟังดูน่าเชื่อถือแต่ยิ่งน่าสงสัย ก็ยิ่งเพิ่มความรักสำหรับผู้ชายและในวันถัดไปเขาได้ไปขอแต่งงานกับเจ้าหญิงมูทิโนซาเขาได้รับเงื่อนไขสองข้อข้อแรกงานแต่งงานต้องจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นข้อที่สองเขาต้องห้ามพูดกับเจ้าหญิงจนกว่าเจ้าหญิงจะเป็นราชินีของเขาแม้จะถูกคัดค้านโดยมหาดเล็กแต่กษัตริย์ก็ยอมตกลงคำแรก ที่เขาได้ยินจากราชินีก็คือตกลงราชินีพูดในพิธีสมรสของพวกเขาความกลัวของมหาดเล็กก็เป็นความจริงราชินีสาวทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับในราชสำนักด้วยความร้ายของเธอวันหนึ่งขณะที่เธอขี่ม้าออกนอกเมืองราชินีพบหญิงแก่กาลังเดินมาตามทางเธอถวายบังคมและเดินต่อไปราชินีร้องขึ้นมา เจ้าไม่รู้เหรอว่าข้านะ่ะคือราชินีเจ้ายังไม่ถวายบังคมกับข้าอีกเหรอท่านหญิงข้านะ่ะไม่เคยเรียนวิธีถวายบังคมแต่ข้าว่าข้าไม่ได้พลาดนะด้วยความเคารพจ้กกล้ามากนะที่ตอบแบบนี้ผูกนางไว้กับม้าของข้าและข้าจะพานางไปพบกับนักเต้นที่เก่งที่สุดเพื่อสอนวิธีถวายบังคมนางฟ้าจะปกป้องข้า นางฟ้าจะปกป้องข้ามันดนางไว้ก็ได้ข้าเตือนท่านแล้วนะแต่เมื่อราชินีเจ้าคมาที่ไม่เคยเตื่นกลัวของเธอมันกลับต่อต้านเธอและมันก็กลายเป็นทองแดงเ อ, อ๊ออะไรกันเนี่ยผู้หญิงที่ร้ายกาจจาไม่คู่ควรกับมงกุฎนั่นข้าเชื่อแล้วในทุกสิ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับเจ้าล้วนเป็นความจริงทั้งนั้น ตอนนี้ข้าไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นและเจ้าจะได้เห็นนางฟ้าหัวเราอเยาะเจ้าฟาซิด้าฟ้องกับราชินีนางฟ้าเกี่ยวกับหมูที่โนซ่าและราชินีเสนอให้เปลี่ยนหมูที่โนซาเป็นทองแดงแต่ฟลาซิด้าที่จิตใจดีและมีเมตตาเห็นว่าการลงโทษนั้นรุนแรงเกินไป ได้ขอว่าให้หมูที่โนซามาเป็นทาสของเธอตลอดไปจนกว่าเธอจะมีบุตรของเธอมาแทนความจริงเจ้าจะต้องเป็นทาสของข้าแต่ด้วยความที่เจ้าเป็นถึงราชินีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกินไปสาหรับเจ้างั้นข้าจะให้เจ้าทำแค่ทำความสะอาดห้องของข้าและอาบน้าให้ลูกสุนัขหมูที่โนซาได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่น่ารักและเธอ ก็ปฏิบัติตัวดีขึ้นนางฟ้าสั่งสอนสิ่งที่ผ่านมาและให้เธอสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นและปล่อยเธอให้กลับไปหากษัตัิย์พราซิด้าเลี้ยงดูเจ้าหญิงน้อยอย่างดีเธอนึกถึงนางฟ้าคนอื่นที่จะเชิญมาเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวเพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเลือกนางฟ้าใจดีสองคน นางฟ้าทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเจ้าหญิงน้อยและตั้งชื่อเธอว่ากลาซิเอล่ารู้ไหมเหล่าพี่สาวของข้าการลงทษทั่วไปในหมู่ของพวกเราก็คือเปลี่ยนจากความงดงามให้กลายเป็นอัปลัก์เปลี่ยนจากความชานฉลาดไปสู่ความมั่วคราวหรือว่าเปลี่ยนบุคคลให้กลายเป็นตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงฉันจึงจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับความงามของเธอ คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอคนนี้ไปได้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้เลยสักนิดเดียวนางฟ้าแม่ทุนหัวทั้งสองเห็นด้วยและทันทีที่ทั้งสองมอบของขวัญให้เจ้าหญิงตัวน้อยพวกเธอก็จากไปปราซิด้ามอบการศึกษาและสั่งสอนเจ้าหญิงน้อยและเธอก็ทำได้ดีกลาซิเอลล่าเติบโตขึ้นอย่างงดงามและเมื่อเธอยังเด็กชื่อเสียงของเธอก็กระจายไปทั่วแต่ว่า มันก็มากเกินไปวันหนึง่งภาศิดารู้สึกประหลาดใจมากที่นางฟ้าราชนีมาเยี่ยมข้าได้ยินว่าเจ้าสั่งสอนมูทิโนโซาได้เป็นอย่างดีเจ้าน่มีเมตตาต่อเธอในขณะที่เธออยู่ที่นี่และข้ามาเพื่อล้างแค่ลูกสาวของเธอรับรองได้เลยว่าเธอจะต้องโตขึ้นอย่างงดงามชาญฉลาดและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ ฉันจะนำเธอไปในคุกที่มีมนเลเสน่และเธอจะไม่สามารถออกไปได้นอกจากเธอจะพบว่าเธออยู่ในอ้อมแขนของคนที่เธอรักและหน้าที่ของฉันก็คือฉันจะห้ามไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเมื่อเธอโตขึ้นกลาสิเอลล่าไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ว่าเธอยังมีความงดงามที่สุดโบเนต้า bon ดูนี่สิ มันอะไรกันหรอต้องเป็นเจ้าเงือกอย่างแน่นอนผู้ชายงั้นหรอเราเรีบลงไปดูเขาใกล้ๆกันดีกว่าเขาถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยเปลือกหอยที่หายากเขานำมามอบให้เจ้าหญิงเขาช่างดูประหลาดนะักข้าหวังว่าผู้ชายทุกคนคงไม่เป็นเหมือนกับเขาเหรอกนะ ไม่ค่ะไม่เลยกราเซีโอล า, อ า, ลารับของขวัญจากเขาอย่างสุภาพหลังจากนั้นเขาจะมาที่นี่ทุกเย็นและเป่าเปลือกหอยหรือดำน้ำและเล่นน้ำด้านล่างหน้าต่างของเจ้าหญิงเธอโคงคำนับเขาอยู่บนระเบียงแต่ว่าเธอไม่เคยลงไปข้างล่างเลยทำไมนะ เราอยู่ได้แค่ตรงนี้ในหอคอยเท่านั้นเพราะว่าเรานะี่ะจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าขาดน้ำโบนเนตตาเชิญพวกเขาเข้ามาและพวกเขาอยู่ได้แค่ชั้นล่างที่มีน้ําอยู่เท่านั้นไม่สงสัยเลยสักนิดที่คุณนะ่ะจะอยู่แต่ในนี้เพื่อเลี้ยงเลี้ยงนักรักแต่ว่าพี่ชายของข้าหลงรักคุณอย่างจังเจ้าหญิง เล่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอให้เงือกฟังเพื่อให้รู้สึกว่าเธอรู้สึกเสียใจแค่ไหนบางทีสักวันหนึง่งคุณอาจจะหาทางออกจากเรื่องลำบากนี้ได้นะข้าว่าพวกเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดสักหน่อยเลยต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปคนหนุ่มสาวนี่มีความหวังกันสักจริงเลยแล้วท่านน่ะคิดยังไงกับหนุ่มเงือกที่ชอบท่านถ้าไม่ได้รักเขา แต่ว่าพวกเขาอาจมีประโยชน์สําหรับเราก็ได้นะเกลือกสาวกลับมาบ่อยครั้งทุกครั้งเธอพูดถึงความรักของพี่ชายเธอและกาเซียล่าก็พูดถึงความต้องการของเธอที่จะออกจากคุกหลังจากคุยกันเล็กน้อยกาเซียล่าก็ตกลงที่จะให้เธอเห็นภายในหอคอยโบนเนต้าอยู่กํานางเงือกที่ด้านล่าง ในฐานะศิลปินที่เก่งกาจโนเนต้วาวาดรูปชายรูปงามกับผมอยากโศกสละสลวยผิวพรรณดีและดวงตาสีฟ้างดงามหลังจากเสร็จแล้วเธอก็เอาให้กราซซีอล่าดูข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีผู้ชายที่ดูดีขนาดนี้ในโลกใบนี้นะ่ะแต่ว่าข้าคงไม่มีโอกาสได้พบกับเขาแล้วรูปนี้นะ่ะมีไว้ทำอะไรโอ้เศร้าใจจังเลย ตอนนี้เจ้าชายเคยได้ยินเกี่ยวกับหอคอยแห่งนี้และเขาพยายามเข้าใกล้มันเท่าที่จะทำได้แต่ลูกเรือคิดว่ามันอันตรายและกับตันก็เห็นด้วยท่านจะพาเราไปตายท่อสมอลงที่พื้นดินก่อนและข้าจะตามหาหนางฟ้าใจดีที่สามารถช่วยข้าได้เจ้าชายท่อสมอลงพื้นดินใกล้ๆและมอบหมายให้กับตันไปขอความช่วยเหลือจากนางฟ้า ข้าเคยได้ยินที่แห่งนี้และข้าก็จะทำการส่งนกพิราบเข้าไปสอดส่องเพื่อหาทางเข้าไปให้กับท่านเจ้าหญิงที่รักข้ารักท่านได้โปรดตอบรับรักข้าและเชื่อข้าเถอะข้าจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดความโชคร้ายของท่านอาเธอ บอกว่ารักค่าแต่ข้าให้สัญญาว่าจะรักท่านไม่ได้จนกว่าจะได้เห็นท่านได้โปรดส่งรูปของท่านมากับจดหมายนี้ถ้าหากว่าข้าคืนท่านท่านก็เลิกหวังแต่ถ้าข้าเก็บไว้ท่านก็ยังพอมีหวังจากกาซิเอล่าหลังจากชั่วโมงผ่านไปนกน้อยก็ถูกส่งกลับไปอีกครั้งพร้อมกับภาพของเจ้าชาย เอาละในตอนนี้ข้าสามารถเปลี่ยนท่านให้อยู่ในร่างของนกได้แต่ว่าจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีท่านจะคืนร่างในเวลาที่เหมาะสมจุ๊บจบุนกน้อยเจ้าหญิงเริ่มเหนื่อยละดังนั้นเธอจึงนอนลงบนหญ้ามอสในขณะนั้นมณเนรของเธอก็สิ้นสุดลง และหอคอยก็เริ่มโยกและถล่มลงโมเนต้ารีบขึ้นไปด้านบนเพื่อจะได้อยู่กับเจ้าหญิงที่รักของเธอนางฟ้าผู้ใจดีมาถึงพร้อมกับนางฟ้าพาซินดาในรถแก้วเวนสิสขับเคลื่อนโดยนกอินทรีหตัวเจ้าเรียบขึ้นมาเร็วเข้าหอคอยนี้กำลังจะถล่มแล้ว พวกเขาพบว่าราชินีมูทิโนซาสวรรคคตไปหลายปีแล้วแต่ว่ากษัตริย์เจมยังคงมีชีวิตอยู่และปกครองเมืองของเขาอย่างมีความสุขกษัตริย์ตอบรับพระธิดาของเขาด้วยความปิติและขอบคุณที่ได้ลูกสาวที่น่ารักกลับมางานแต่งงานของพวกเขามีขึ้นในวันผัดมาแล้วมีการจัดงานต่อไปอีกหลายวันลูกบอนอาหารการแข่งขัน การจะแสดงและกิจกรรมสนุกสนุกทุกอย่างดำเนินการไปตลอดทั้งวันเจ้าชายและเจ้าหญิงมีความสุขไปตลอดกาล